พระมหาบุญช่วยเป็นพระมหาปรเรียนจำพรรษาอยู่ที่วัดบางพลัดกรุงเทพมหานครวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสเรียกพระมหาบุญช่วยไปพบเมื่อไปนะมัสการท่านเจ้าอาวาสแล้วท่านเจ้าอาวาสจึงพูดถึงเรื่องที่เรียกท่านมาพบบอกว่านี่แน่ท่านมหาบุญช่วยผมได้ประสานมาจากท่านเจ้าคณะเขตบอกว่าให้จัดพระมหาตั้งแต่ปรเรียนสามขึ้นไป ในวัดของเราเนี่ยเราก็ส่งไปอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตเพื่อให้เดินทางไปเผยแพร่พระสัทธรรมในถิ่นทุรกันดาลที่ต้องการพระมหาป ร, รียญไปเทศนาอบรมให้ญาติโยมรู้จักการปฏิบัติตนเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องได้รับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมผมก็เลยเห็นว่าท่านมหาบุญช่วยเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์พอที่จะส่งไปเข้าอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตได้ แต่ว่าเท่าที่ผมได้เคยรู้มาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระธรรมทูตนั้นออกจะลำบากอยู่นะเพราะต้องถูกส่งไปยังดินแดนที่ธุระกันดาลในต่างจังหวัดโดยแบ่งกันเป็นสายก็สุดแล้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะผมไม่บังคับหลังจากที่ได้ฟังเจตนารม์ของท่านเจ้าอาวาสเสร็จเรียบร้อยนะคะพระมหาบุญช่วยก็เลยบอกว่าขอบพระคุณครับหลวงพ่อผมเองก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกัน หากหลวงพ่อเห็นว่าผมเหมาะสมยินดีจะไปอบรมเป็นพระธรรมทูตตามที่หลวงพ่อปรารภครับพระมหาบุญช่วยได้เข้าไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตจนสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นก็จะได้การแบ่งสายท่านมหาบุญช่วยได้ไปสายเหนือพร้อมกับพระมหาสมชายพระภิกษุน้องชายพระธรรมทูตจะได้รับการอบรมว่าให้อดทนอดกลั้นเพราะว่าเป็นพระแปลกหน้าเข้าไปจาพรรษาอยู่ในถิ่นที่ที่แปลก กับญาติโยมที่แปลกหน้าเหมือนกันมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างและก็สิ่งที่ต้องยึดมั่นก็คือการรักษาสมณส า, ารูปที่งดงามด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด mm. เพื่อเป็นผู้นำทางแก่พุทธบริษัทที่พระธรรมทูตได้เข้าไปเผยแพร่พระสัจธรรม หลังจากนั้นพระมหาบุญช่วยกับพระน้องชายซึ่งอยู่ต่างวัดนะคะก็ถูกส่งไปยังจังหวัดอุตรดิต์ค่ะโดยให้ไปพักในวัดที่จำพรรษาของเจ้าคณะจังหวัดเพื่อรอการจัดส่งไปยังวัดในดินแดนธุระกันดานที่ทางเจ้าคณะจังหวัดได้ประสานกับเจ้าคณะอําเภอและเจ้าคณะตําบลจนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากรอมาถึง7วันนะคะท่านมหาบุญช่วยกับมหาสมชายก็ถูกส่งไปยังวัดเล็กๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางเข้าไปถึงวัดก็ค่อนข้างลาบากนะคะเพราะว่ารถมาส่งได้แค่ปากทางเข้าวัดที่ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวก็มีญาติโยมมารอารับตามนัดครั้นมาถึงวัดก็ได้เข้าไปนมัสการท่านเจ้าอาวาสยินดีมากที่มีโอกาสได้ต้อนรับพระธรรมทูตเจ้าคณะตำบลท่านประสานมาว่าจะมีมหาสองพี่น้องมาจำพรรษาสั่งสอนญาติโยมที่นี่มีพระน้อย จะมีพระมากก็ตอนเข้าพรรษาเพราะว่ามีพระบวชใหม่มาจําพรรษารอศึกเมื่อออกพรรษาแล้วผมได้จัดที่พักของท่านมหากับพระมหาน้องชายที่ศาลาท้ายวัดอันเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาท่านมหาบุญช่วยเล่าให้สิทธ์ใกล้ชิดฟังบอกว่าหลังจากกลับมาจากจําพรรษาที่วัดบางพลัดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเป็นพระธรรมทูตแล้วนะฮะว่า จเจ้าอาวาดวัดน่าจะลองดีพระธรรมทูตว่าเก่งขนาดไหนนะเพราะว่าเมื่อไปถึงที่จำพรนษาก็พบนะฮะว่าสาลาหลังนั้นกว้างขวางพอสมควรแต่ว่าปลูกอยู่ท้ายวัดตรงป่าช้าที่มีหลุมฝังศพแล้วก็กองฟอนพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแหล่งรวมผีดีๆนี่เองแต่เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ที่มาอบรมว่าให้อดทนอดกลั้นก็เลยทาใจได้ว่าหากแสดงความกลัวหรือว่าความหวาดหวัน่น เมื่อถูกส่งมาจำวัดที่ศาลาที่ติดกับป่าช้าก็จะทำให้ท่านเจ้าอาวาสนำเรื่องไปขยายในหมู่ญาติโยมว่าพระธรรมทูตกลัวผีจนไม่กล้าไปจำวัดที่ศาลาในป่าช้าอย่างนี้จะไปสั่งสอนญาติโยมได้อย่างไรพระอะไรกันกลัวผีจนขึ้นสมองอันที่จริงก็กลัวนะพระมหาบุญช่วยบอกแต่ว่าต้องสำแดงภูมิให้เห็นว่าไม่กลัวไม่อย่างนั้นเสียชื่อพระธรรมทูตหมดพอ จำพรรษาอยู่ที่นั่นได้7วันวันที่7ก็ได้รับนิมนต์ไปฉันเพงที่บ้านญาติโยมซึ่งหนทางก็ไกลพอสมควรนะฮะก็ต้องนั่งกเกวียนไปกลับมาถึงวัดตะวันตกดินไปแล้วเดินไปที่ศาลาที่จำวัดก็คว้าไม่ขีดมาจุดเทียนที่อยู่ในย่ามก่อนจะไปจุดตะเกียงรัว้วเพื่อให้แสงสว่าง เจ้ากรรมจริงๆเกิดมีพายุฝนฟ้าคนองไม่มีปีม่กลุยไม่นานนักฝนก็กระนนาลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งเสียงฟ้าร้องทั้งแสงของฟ้าแลบแต่ว่าฟ้าแลบเนี่ยทำให้เห็นต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากศาลาที่พักมากนักก็ดูน่ากลัวเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ใบหนา ทีนี้เนี่ยพระมหาบุญช่วยก็ดับตะเกียงรัว้วสวดมนต์ทำวัดก่อนจําวัดสนิทเพราะว่าอากาศเย็นทําให้จําวัดได้อย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้หูของท่านมหาบุญช่วยได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นตอนแรกเนี่ยได้ยินแว่วๆนะคิดว่าหูฝาดแต่ว่ากลับดังขึ้นเรื่อยๆจนท่านต้องตื่นจากการจําวัดแล้วก็มองดูพระน้องชายก็เห็นว่าจําวัดสนิทจึงลุกออกจากมุ้งมายืนฟังเสียงว่ามาจากไหน ก็จับทิศทางได้ค่ะว่ามาจากทางต้นไม้ใหญ่แต่ว่ามันมืดมากมองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงก็เลยเดินกลับไปปลุกพระสมชายให้ตื่นแล้วก็บอกให้รู้ว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ให้จุดตะเกียงลงไปดูกันหน่อยเผื่อเด็กจะหลงทางมาจากที่อื่นหลังจากจุดตะเกียงให้แสงสว่างก็ครองผ้าเรียบร้อยพระมหาบุญช่วยก็เลยเดินถือตะเกียงนำหน้าพระมหาสมชายเดินตามหลัง มุ่งหน้าไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่คนต้นไม้ใหญ่ก็ปรากฏนะคะว่าร่างของเด็กหญิงนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อแขนยาวอายุน่าจะประมาณ1ิบขวบเห็นจะได้ยืนร้องไห้ค่ะแต่ว่าเห็นแต่ด้านหลังพอมหาบุญช่วยเดินเข้าไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับเดินไปอีกด้านหนึ่งของต้นไม้แบบว่าเร็วมากจนผิดสังเกตพระมหาบุญช่วยจึงเดินอ้อมไปอีกด้านกะว่าจะได้เจอกันพอดีนะคะ ก็เป็นไปตามคาดค่ะร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นเดินมาประจันหน้ากันพอพระมหาบุญช่วยจะเอ่ยปากถามว่าหนูอยู่ที่ไหนทำไมไม่กลับบ้านเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับเดินหายเข้าไปในต้นไม้ต่อหน้าต่อตาพระมหาบุญช่วยเล่า ว, ว่ารู้สึกขนหัวลุกแต่ว่าไม่ได้ใจเสียนะพาพระน้องชายเดินกลับไปที่ศาลาค่ะเสียงร้องก็ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมท่านมหาบุญช่วยกับมหาสมชายจึงนั่งหลับตาแล้วก็ ช่วยกันแผ่เมตตาไปให้เด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะหลังจากที่ท่านมาหาทั้งสองค่ะแผ่เมตตาออกไปพร้อมกันเสียงร้องไห้ยังคงดังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมก็เลยแผ่ออกไปอีกเป็นห่นที่2เสียงร้องไห้ก็ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เลยสงบจิตใจแผ่อีกครั้งที่3เสียงร้องไห้ก็ค่อยๆเบาลงก่อนจะเงียบหายไปจนกระทั่งรุ่งเช้าค่ะหลังจากที่ฉันข้าวเสร็จ พระมหาบุญช่วยกับมหาสมชายก็ได้ไปในม ส, สการเล่าเรื่องให้ท่านเจ้าอาวาสทราบเจ้าอาวาสก็เลยได้บอกกับพระมหาบุญช่วยกับพระมหาสมชายบอกว่าก็คงเป็นดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่ตายด้วยไข้ป่าที่ญาตินำไปฝังไว้ที่คนต้นไม้เมื่อตอนบ่ายก่อนที่ท่านมหาทั้งสองจะกลับมาจากกิจนิมนต์มาขอส่วนบุญกระมังท่านทั้งสองอ ง, องค์เก่งมากสมกับเป็นพระธรรมทูต ท, ที่ไม่วิ่งร้องตะโกนวยวาย เมื่อสองปีที่แล้วมีพระธุดงมาปักกรดอยู่ที่ป่าช้าที่นั่นตอนดึกเนี่ยวิ่งร้องโวยวายมาที่กุฏินุ่งสะบงตัวเดียวพร้อมกับบอกว่าผีหลอกต้องให้จําวัดในกุฏิพอรุ่งเช้าฉันข้าวเสร็จก็ถอนกรดเปิดแนบก็คงอายที่เป็นพระธุดงแต่ว่าวิ่งหนีผีจนเหลือแต่สะบงตัวเดียว พระมหาบุญช่วยท่านได้เล่าย้อนความหลังว่าเรื่องผีนั้นท่านคุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนที่บวชพรรษาแรกที่วัดมัชชิมาวะที่หนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านจำพรรษาอยู่ติดกับกุฏิของพระบุญมากับสัมเนเนนินสัมเนเนนินเนี่ยอาพาธเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารต้องไปรักษาอาการอยู่เป็นประจำซึ่งตอนสายของวันนั้น สา ม, มเณรนินอาจเจียนออกมาเป็นเลือดครึ่งกระโทนพระบุญมาก็ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ระบุว่าสาเหตุมาจากกระเพาะอาหารทะลุต้องรีบผ่าตัดด่วนแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้เข้าห้องผ่าตัดค่ะเนื่องจากเสียเลือดไปจำนวนมากะะก็เลยเกิดอาการช็อกแพทย์ก็พยายามช่วยชีวิตเอาไว้ให้นอนอยู่ในห้องอซพระบุญมาก็เฝ้าอาการของสา ม, มเณรนิน จนเวลาประมาณหทุ่มผู้ป่วยก็ถึงแก่มรณภาพค่ะพระบุญมาจะกลับมาวัดก็ไม่ได้เพราะว่าหนทางไกลาพาหนะอะไรก็ไม่มีก็เลยรอให้เช้าจึงจะกลับวัดมาบอกข่าวญาติโยมแล้วก็โยมบิดามารดาของสัมมเณนผู้ร่วงรับท่านพระมหาบุญช่วยเล่า ว, ว่าท่านตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีสทุกวันนะคะเมื่อตื่นขึ้นก็จะส่งน้าแล้วก็เดินไปทาวัดสวดมนต์ที่วิหารน้อยในวัด เมื่อทำวัดสดมนเสร็จแล้วก็จะเดินจากวิหารน้อยกลับกุฏิก็เลยมองไปทางประตูวัดค่ะก็เห็นสั ม, มเาเนนินเนี่ยเดินเข้าประตูวัดมาพระมหาบุญช่วยคิดว่าเออเนนคงหายจากการอาพาธก็เลยกลับมาวัดได้แต่เอ๊ะพระมหาบุญมาที่พาสัมมาเ น, นนินไปส่งที่โรงพยาบาลหายไปไหนจึงรีบสาวเท้าเดินเข้าไปหาแต่พอเข้าไปใกล้สัมมาเ น, นนินสั ม, มเนนนั้นกลับเดินหันหลังให้แล้วก็หนีไปอีกทางหนึ่งก็เลยเร่งฝีเท้าตามไป ก็พบนะคะว่าเนนเนี่ยเดินวนมาที่กุฏิที่จพาพรรษาท่านมหาบุญช่วยเดินตามหลังมาติดติดเห็นร่างนั้นเดินทะลุประตูกุฏิเข้าไปต่อหน้าต่อตาพระมหาบุญช่วยก็เลยเล่านะคะว่ามองไปที่กุฏิเห็นว่ามีกุญแจคล้องอยู่ก็เลยเอกใจว่าสัมมาเนนินน่าจะตายไปแล้ว พอตอนสายของวันนั้นพระบุญมาก็กลับมาถึงวัดแล้วก็ขึ้นไปกราบน้ำมศการเรียนให้ท่านเจ้าอาวาสทราบว่าสัมมาเนนินเนี่ยมรณภาพที่โรงพยาบาลศพยังอยู่ในห้องดับจิตพระมหาบุญช่วยได้ยินข่าวว่าการมรณภาพจากปากของพระบุญมาก็เลยแน่ใจแหรว่าถูกผีสัมเาเนนินเนี่ยหลอกแล้ววิญญาณคงจะเป็นห่วงวัดห่วงกุฏิจึงอาจจะมาปรากฏตัวให้พระมหาบุญช่วยได้เห็นนั่นเองค่ะ มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระภิกษุถาวรกิติวโรนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะว่าได้เข้าไปอุปสมบทที่วัดมหาธาตุ่าพระจันทร์พระอุปชาได้อบรมว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดหลวงพระลูกวัดต้องสำรวมไม่พูดตลกขนองหยาบโลนอันจะเป็นโลกะวัชชะต้องทำวัดสดมนทั้งเช้าแล้วก็เย็นครั้นเมื่อมาถึงกุฏิที่จำพรรษาแล้วพระพี่เลี้ยงก็ได้เตือนว่า ที่คณะนี้พระทุกองค์สา ม, มเณรทุกรูปจะต้องสวดมนต์ทำวัดก่อนจำวัดทุกคืนอย่าได้ละเว้นเป็นเด็ดขาดพระภิกษุถาวรท่านได้เล่าเรื่องที่ท่านได้ประสบมาเอาไวน้นะคะว่าคืนนั้นจำวัดได้โดยที่ไม่ได้สวดมนต์พอตกดึกเนี่ยรู้สึกตัวเหมือนได้ยินเสียงคนเปิดประตูกุฏิออกไปด้านนอกก็จำวัดอยู่องค์เดียวนี่หว่าคงหูฝาดสักครู่หนึ่งก็มีเสียงคนเปิดประตูเข้ามาแต่ว่าคราวนี้ ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตึงตึงมาที่ปลายเตียงมองไปก็เห็นเงาดำพันใดก็รู้สึกว่ามุ้งเนี่ยถูกเปิดออกมีมือปกเปียกยื่นมาจับข้อเท้าดึงอย่างแรงจนศีสษะเนี่ยลื่นตกจากหมอนตกใจกระชากเท้าจนหลุดจากมือที่จับมุดออกจากมุ้งไปเปิดไฟดูว่าเกิดอะไรขึ้นประตูกุฏิยังล็อกอยู่ภายใน ก็เลยนึกสงสัยในใจว่าเจ้าเงาดำๆกับมือที่มาจับข้อเท้าดึงจนศีรษะตกจากหมอนเนี่ยเป็นใครกันแน่ตอนเช้าพอพบหน้าพระพี่เลี้ยงก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพระพี่เลี้ยงก็อมยิ้มแล้วก็กล่าวว่าเมื่อคืนคุณจำวัดโดยไม่ได้ทําวัดสวดมนต์ละสิก็บอกแล้วไงว่าคณะนี้ก่อนจำวัดต้องทําวัดสวดมนต์ไม่อย่างนั้นเจอดีที่คุณเจอนั้นเพียงแค่ตักเตือนบางรูปเนี่ยกระชากหล่นจากเตียงก็เคยมีมาแล้ว เจ้าคณะนี้เขาไม่ชอบพระที่เกียจคร้านไม่ทำวัดสวดมนต์ก่อนจำวัดตั้งแต่นั้นมาพระภิกษุถาวรนะคะก็เลยต้องทำวัดสวดมนต์ก่อนจำวัดทุกคืนมิได้ขาดจึงไม่ได้พบกับวิญญาณดวงนั้นอีกเลยค่ะ มีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของหลวงปู่เทียนนะคะพระเกจิอาจารย์ชาวรามันเจ้าอาวาสวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงด้านการปลูกเสกวัตถุมงคลเป็นที่เล่าลือไปทั่วประเทศไทยค่ะเรียนและก็พระสมเด็จที่ท่านสร้างเป็นที่นิยมของนักเลงพระแม้ว่ามรณภาพไปกว่า40ปีแล้วก็ตามท่านได้เล่าเรื่องที่ท่านได้เผชิญหน้ากับผีไว้ดังนี้นะคะ ตอนที่ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ให ม, ใหม่เนื่องจากท่านเป็นพระนักวิปัสนาที่ชอบสแสวงหาที่วิเวกเพื่อนั่งสมาธิเจริญภาวนาท่านก็ได้เลือกวิหารเล็กที่ด้านหลังวัดเนี่ยเป็นที่นั่งปฏิบัติวิปัสนาเพราะว่ามันสงบแล้วก็วิเวกด้านหลังวิหารก็เป็นเจดีย์แถวซึ่งภายในเจดีย์ก็บรรจุอัติผู้วายชนเอาไวา้เรียกว่าเป็นที่ชุมนุมของวิญญาณเลยก็ว่าได้ค่ะ ดึกสงัดคืนนึงหลวงปู่เทียนเนี่ยได้ไปนั่งวิปัสนาที่วิหารเล็กขณะที่นั่งพักผ่อนอิริยาบถหลังจากออกจากสมาธินั้นพลันก็มีก้อนอะไรก็ไม่รู้มองไม่ถนัดหล่นลงมาจากขือวิหารกระทบพื้นตรงหน้าดังตึก๊กจนพื้นวิหารเนี่ยสะเทือนค่ะหลวงปู่เทียนบอกว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรไอ้ก้อนประหลาดเนี่ยก็เด้งจากพื้นกลับขึ้นไปบนขือวิหารอีกครั้ง หลวงปู่เทียนก็เลยแงนตามขึ้นไปเพื่อที่จะเพ่งมองดูให้เห็นว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนก็ได้เห็นค่ะว่าผีตนหนึ่งเนี่ยเอาขาห้อยกับคือห้อยศีรษะลงมาจากนั้นก็ยืดคอลงมาจากเพดานวิหารจนใบหน้าเนี่ยลอยมาอยู่ตรงหน้าของหลวงปู่เทียนแต่ว่าหลวงปู่ไม่รู้สึกกลัวเพ่งดูที่ใบหน้าของผีที่ยื่นลงมาจากนั้นก็แผ่เมตตาออกไปให้พอกระแสเมตตาออกไป เจ้าผีนี้เนี่ยก็ค่อยๆหดคอขึ้นไปข้างบนแล้วก็หายวับไปในที่สุดนะคะหลวงปู่เทียนบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนตายที่อัถิถูกบรรจุไว้ในใจดีแถวด้านหลังและก็ด้านข้างที่ต้องการมาขอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากหลวงปู่เทียนในขณะที่ท่านนั่งสมาธิแต่ก็อย่างว่านะคะขึ้นชื่อว่าผีแล้วจะมาแบบน่ากลัวเป็นหลักแม้จะมาขอรับส่วนบุญหรือว่าด้วยวิสัยผีก็มักจะสำแดงร่างหลอกหลอน สำหรับหลวงปู่เทียนแล้วท่านเองก็เป็นพระนักปฏิบัติจนพลังจิตเนี่ยเข้มแข็งหากเป็นพระที่ไม่ใช่นักปฏิบัติอาจสติแตกวิ่งเตลิดเปิดเปลงกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปได้ง่ายๆค่ะเรียบเรียงจากคำบอกเล่าของพระมหาบุญช่วยวัดบางพลัดพระถาวรกิติวโรวัดมหาธาตุ่าพระจันทร์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีนะคะ หมดเวลาของบีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะยังไงก็ฝากช anel พระเจอผีช anel เล็กๆนี้ไว้ในอ้อม อ, อกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะผิดพลาดประการใดกระดาบขออภัยมาณที่นี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กําลังใจ บ, บีด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้เพื่อพูดคุยกันได้ทุกวันจะฟังย้อนหลังหรือว่าจะฟังยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบพระคุณด้วยสําหรับการติดตามวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ